ความเป็นจริงผมพอเทียนจะสอนเราว่ารู้โดยที่ไม่ต้องรู้อะไรรู้แต่อาการเราเรียกว่ารู้ปลอมติเฉยการที่เรารู้ปุ๊บมีชื่อขึ้นมาทันทีมันมีได้ตามสัญญานะแต่สัญญาตมันต้องไม่วิปลาสแล้วแต่พวกเรามันสัญญาวิปลาสมันมีชื่อปุ๊บมันปรุงแต่งต่อทั้งยวงนี่มันเลยกเป็นส่วนเกิน แต่ถ้าเรารู้เฉยๆรู้เฉยๆได้ก็จบแค่นั้นรู้มันเป็นอย่างนี้เวล่วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตใจเรามันเป็นยังไงเนี่ยพูดเป็นโจ๊กว่าให้เราบริกรรมไว้ว่าอ๋อตอนนี้เป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันก็แค่บอกตัวเองเฉยๆพวกเราทุกคนเวลาปฏิบัติธรรมเราชอบที่จะเข้าไปจัดการเข้าไปแก้ไขเข้าไปสงสัย กับอาการที่มันเกิดขึ้นทางใจทำไมเป็นแบบนี้ทำไมตอนนี้เป็นแบบนี้ทำยังไงให้มันปกติสมมุติเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันจริงๆเรามีหน้าที่พี่จะพูดคําศัพท์ว่าวิสเนสตอนนีหนะ้าที่เป็นพยานกับสถานการณ์ต่างๆที่แล้เกิดขึ้นในใกายในใจเรานี่ใช่ใช่คำสอนแบบนี้เนะี่ยพูดบ่อยแต่มันทะลวงเข้าไปในใจคนไม่ค่อยได้ จะมีเชื้อของการอยากจะจัดการอยากจะสงสัยอยากจะได้คำตอบก็เลยบอกว่าให้ท่องเอาไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็บอกตัวเองว่าอ๋อตอนนี้เป็นแบบนี้พอคำว่าอ๋อตอนนี้เป็นแบบนี้เราจะหมวดเราจะไม่ต้องทำอะไรเราแค่รู้เฉยๆว่าอ๋อตอนนี้เป็นแบบนี้ไม่มีการทำอะไรการปฏิบัติธรรมผมพูดตลอดว่า <c oughs> completely Don't do anything ไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นแม้แต่นิดเดียวเราเพียงแต่รู้อย่างที่มันเป็นเฉยๆแต่เรารู้อย่างที่มันเป็นได้จิตใจนี้ต้องเป็นปกติก่อนจิตใจนี้ต้องมีความเป็นปกติที่เป็นพื้นฐานก่อนพอเปความเป็นปกติพื้นฐานปุ๊บอย่างที่บอกจะพูดภาษาบาลีใช่มันยากก็คือว่าสัมมาสมาธินี่เกิดแล้ว สมาสมาธิเกิดแล้วปุ๊บเราถึงเห็นสิ่งต่างๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้แต่คนยุคนี้ลําบากอยากจะเจริญมิปัสนาเลยก็รีบไปเห็นไตรักรีบไปเห็นอะไรจะเห็นอะไรให้เป็นไตรักให้หมดแต่ไม่ฝึกไม่ฝึกให้จิตใจนี่มีสมาสมาธิก่อนพอมันเห็นมันเลยเห็นเฉยๆไม่ได้ สมมติเราบอกปฏิบัติทแล้วบอกอ่ะโกรธก็ดูมันนะเวลาโกรธแล้วเนี่ยมันเป็นไตรักเห็นไหมอย่างเงี้ยไปรู้อะไรเข้าี่จะติดกับอันนั้นเลยถามว่าเราหายโกรธเหรอไม่หายเราโกรธหนักเลยเราติดกับมันทันทีเลยพอรู้ว่าโกรธพกก็ดิติดเลยโกรธกัมนมาเลยต่อให้เราเห็นว่าความโกรธในใจนี่นะมันขึ้นลงขึ้นล ง, ข, นลงขึ้นลงนะเห็นเป็นไม่เที่ยงนะไตรัตออกติดกับมันอยู่ เราไม่ใช่เห็นเฉยๆได้แต่การที่เราเห็นเฉย ๆ, ๆมันคืออความโกรธนี่เกิดขึ้นพวกบเห็นมันเป็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเนา ะ, ะมันไม่เป็นแบบนี้จบจบแล้วที่ท่านเขมาบอกถ้าเราเข้าไปพิจารณาใจรักอะไรแล้วก็เสร็จเลยเพราะอะไรกระบวนการพิจารณาใจรักคือความคิดอาการโกรธเกิดขึ้นมาได้ไงเกิดขึ้นเพราะความคิดเหมือนกัน เรากำลังอยู่ในกระแสทานในความเชี่ยวกราดของกิเลสแล้วเราจะไปเห็นมันได้ยังไงเห็นไม่ได้ผมเลยบอกว่าเราต้องขึ้นบนฝั่งก่อนไม่ได้พอเราขึ้นบนฝั่งได้ปุ๊บเราถึงจะเห็นอะไรเห็นเฉยๆได้เป็นคนดูเสียเฉยๆได้จริงๆเพราะนั้นนักปฏิบัติจํานวนมากก็เลยพลาดผมว่าพลาดเดยอะที่จะเข้าไปดูกิเลสว่ามันเป็นไงละ่ะ สิ่งที่ผมพูดนี่สลับกันนะเราต้องรู้จักธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจอันนี้ก่อนเรารู้จักธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจอันนี้ได้ปุ๊บเราถึงจะเห็นสภาพในโลกมันเป็นไปงละสเต็ปไม่เหมือนกันสเต็ปแรกนี่ถ้าเราลองทำไม่ได้การเห็นนจะเป็นการเห็นไม่จริงมันมีพื้นฐานของความอยากได้ความรู้นั่นแหละอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เราอยากได้ปัญญาเราอยากได้ จเจริญวิปัสนาการที่เราอยากได้แบบนั้นมันทําให้เราพลาดที่ท่านเขียน ม, มาพูดว่าพลาดสิ่งตื้นๆเราพลาดสิ่งตื้นๆไปแต่สิ่งตื้นๆ น, นั่นแหละมันคือสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดมันจะพาไปรู้จักสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดแต่เราเรีบเข้าไปสวดลึกก่อนพลาดพลาดตื่นไป ผมจะบอกทุกคนว่าเราต้องรู้จักเปิดโอกาสเราต้องเป็นเหมือนน้ำครึ่งแก้วเราต้องรู้จักเปิดโอกาสได้กับตัวเองอย่าปิดโอกาสตัวเองพระเจ้าสอนเราเสมอว่าให้ลองทำดูไม่ใช่ให้เราเชื่อถ้าเรายังไม่ค้นพบทางเราจาเป็นที่เราจะต้องเปิดใจที่จะลองทำดูอะไรใหม่ๆที่เรา ที่เราไม่เคยทำที่เราคิดว่ามันอาจจะใช่ก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีเสียหายนี่เราลองทำอะไรก็ได้แล้วเราจะได้มั่นใจว่ามันไม่ใช่หรือมันใช่แต่คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ใช้ความเชื่อที่หนังสือผมไปให้ถามก่อนเลยว่ า, านี่เป็นพระหรือเป็นอะไรบอกเป็นโยมโยมไม่หอเอย่างเนี้ยคนอันนี้ปิดเลยเขาปิดตัวเองเท่ากับปิดชีวิตของเขาเพราะฉะนั้น หลายคนที่ฟังผมอันนี้ตัวเองมีบุญมีบุญของตัวเองเพราะเราเปิดเปิดโอกาสให้กับตัวเองนั่นแหละไม่ใช่บุญของใครธรรมะอนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราไปยิดยื่นให้ใครแต่หมายถึงคนคนนั้นอันนี้เข้าหาธรรมะเราถึงจะพร้อมที่จะบอกเขาที่จะสอนเขาเพราะธรรมะนี้ไม่ใช่เรื่องของการยัดเยียด ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีบุคลิกของการที่เราจะไปไปให้ใครธรรมะที่แท้จริงไม่มีบุคลิกแบบนั้นธรรมะที่แท้จริงเป็นบุคลิกของคนที่กำลังค้นหาชีวิตต้องการพบสัจจนชีวิตอันนี้จะเข้าหาจะค้นหาธรรมะด้วยตัวเองมีคนพร้อมจะบอกไปอยู่แล้วเขาจะค้นหาหรือเปล่าแค่นั้น แต่ตราบใดที่เขายังไม่ค้นหาเขายังไม่เข้าใจชีวิตเคขารังไม่รู้ว่าเขาเกิดมาทําไมต่อให้มีผ้าอาหารล้อมรอบตัวเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะความเชื่อนั่นเองความคิดนั่นเอ ง, นนเ อ, งอันนี้ครอบเขาอยู่ปิดบังเขาเขาฟังอะไรไม่ได้เขาเชื่อความคิดตัวเองความคิดเลยเป็นอุปสรรคใหญ่ของมนุษย์มีข้อดีเหมือนกันช่วยทําให้ทุกคนบอกโลกจเจริญผมก็ไม่รู้จเจริญยังไงก็มีแต่อาชญากรรมฆาตกรรมเพิ่มขึ้น ทุกคนเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นโลกโกรธห ล, ลงมากขึ้นคนในโลกเข้าใจแบบนั้นโลกเรากำลังเจริญขึ้นผมอยากให้ทุกคนทําสิ่งที่พอดีไม่ใช่ดีที่สุดนะพอดีแค่นั้นเราทําพอดีแค่นี้มันพอพอแล้วไม่ต้องเอาดีที่สุดเมื่อไหรที่เราเอาดีที่สุดเราจะทุกข์คำว่าเต็มที่ของเราคือพอดี ตอนนี้เรารู้สึกว่าตรนนี้ทําแค่นี้พอดีก็พอดีที่ผมบอกเมื่อไหร่ที่เราทําไปด้วยความดินน้นรนไปด้วยความอยากไปด้วยตั้หาเรากำลัลงจะออกนอกเส้นทางเรากำลัลงจะไป่ติดทานเพราะฉะเราจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคำ ว, ว่าปัจจุบันไม่ใช่เวลาเนี่ยคือมันไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตนี่เรื่อปัจจุบันบางคนก็เล่นคําบอกอยู่กับปัจจุบันก็ก็ไม่ได้เป็นมีเวลามันเป็นคําพูดเฉย ผมบอกโฟโล Schon. ์ดในธรรมชาติเราเลื่อนไหลเลื่อนไหลนะไม่มีอะไรอยู่นิ่งคําว่าไม่เที่ยงคือมันเลื่อนไหลตลอดมันเปลี่ยนตลอดนี่เรียกว่าไม่เที่ยงคําว่าเลื่อนไหลนี่แหละคือไม่เที่ยงเป็นทุกทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ก <Yeah. S 1> <Vegeta. S 2> ็เพราะมันเลื่อนไหลตลอดควบคุมไม่ได้เพราะทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็คือเลื่อนไหลตลอดนะั่นแหละมันทุกสิ่งเราเลื่อนไหลตลอ่อเราอยู่กับความเลื่อนไหลนั้นเห็นความเลื่อนไหลนะแล้วพอทุกคนปกติดี อันนี้ไอเดียจะเกิดไอเดียดีๆจะเกิดขึ้นเป็นความพอดีเราจะทําอะไรมันจะเกิดความพอดีขึ้นมาในโปรเจกต์ในสิ่งที่เรากาลังจะทําอยู่ไม่ต้องมีความว่ดีที่สุดผมไม่อยากให้มีว่าต้องดีที่สุดในใจเรามันจะทําให้เราทุกแล้วความที่เราต้องว่าดีที่สุดมันจะมีทิศถี่เข้ามาว่าอย่างนี้ดีที่สุดทุกคนมีกรรมเป็นของส่วนตัว เราแค่บีอิ่งอยู่ในธรรมชาติ เ, ยเฉยๆเนี่ยกรรมที่เรามีกันแต่ละคนนี่มันจะเข้ามาหาเรามันจะท้าทโธ่เข้ามาหาเราเรื่อยๆเหมือนลักษณะคําว่าเรียกว่าหน้าที่เหมือนผมมีหน้าที่กับครูบาอาจารย์ของผมมก็มีหน้าที่เหมือนกันแต่หน้าที่สูงสุดของของทุกคนนี่ผมให้ทําหน้าที่อะไรอยู่กับตัวเองให้รู้จักความเป็นปกตินี้ไว้ จนวันหนึ่งนี้ปัญญาเกิดก็ให้ปัญญาพาชีวิตไปก็จะต้องทำอะไรทาอะไรอันนี้เป็นหน้าที่สูงสุดของทุกคนผมจะย้า ย, ายมุมอีกมุมหนึ่งเช่นหลวงปูมม่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเรานักปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหมดลูกศิษย์ลองลงมาก็ ทสิทธิที่หลวงปู่ ม, มั่นที่ดังๆที่มลณะไปแล้วก็เยอะแยะแต่เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักนึกถึงมีแค่บางองค์เท่านั้นที่เรารู้จักผมอยากให้มองในมุมนี้ว่าแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็อยู่ภายใต้อานิจจังเหมือนกันจะอยู่ต่อไปตลอดไม่ได้ศา ส, สนาพุทธอยู่ภายใต้อานิจจังเหมือนกันจะอยู่ตลอดไม่ได้เหมือนกันจะต้องมีเสื่อมมีเจริญเสื่อมมีเจริญเราอย่าฝืนธรรมชาตินั้น ท่านเขนมาทสอนเลยสอนให้เรากลับมาที่ตัวเองสอนให้เรารู้จักตัวเองสอนให้เรารู้จักสภาพเดิมแท้ที่ทุกคนมีอยู่แล้วคือสภาพปนปกติอยู่ผมยังรู้สึกถึงความรู้สึกของท่านเขมานมนท้าว่าท่านอยากให้ทุกคนภาวนาทำตัวเองให้พ้นทุกนี่เป็นหัวใจหลักที่ท่านพยายามสอนทุกคนสมมติว่าเราจะทำ งานนี้เราทำได้แค่นี้อันนี้จบแค่นั้นไม่ต้องคิดอย่างอื่นเราทำแค่นี้พอจบงานพอดีเราผลจะได้ขนาดไหนอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของที่พุทธเจ้าพูดเรื่องสันโดษพอใจกับสิ่งที่ได้ทำเต็มที่แล้วอันนี้พอแล้วเราพร้อมจะทำตั้งใจจะทำมีศักยภาพเท่านี้นแค่นั้น ผมเชื่อว่าถ้าลูกศิษย์ของท่านเขมานันทะปฏิบัติตามที่ท่านสอนจนวันหนึ่งตัวเองเป็นแสงสว่างขึ้นมานี่คือการโฆษณาท่านดีที่สุดดังกว่าอย่างอื่นแน่นอนเหมือนท่านเขมานันท์พูดถึงหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็กระจายอยเป็นที่รู้จักของคนกรุงเทพรวมถึงผมด้วยนั้นต้องให้คนคนหนึ่งอันนี้เป็นแสงสว่างขึ้นมา ถ, าถ้าทุกคนเป็นแสงสว่างขึ้นมาได้เพราะท่านเขมานันทะ ผลงานของท่านจะต้องออกมาในที่สุดเป็นธรรมชาติเหมือนกันไม่มีอะไรชุดล้างได้งานทางใจเราสำคัญกว่าทำงานทางใจเรางานทางใจเราต้องใช้ทั้งชีวิตเราทำใช้เวลากับมันเป็นหลัก ง, งานอื่นๆเป็นงานเสริมทำบ้างไม่เป็นไรทำบ้างคิดหน่อยโอเคการอยู่ในโลกก็ต้องมีศิละปะการใช้ชีวิต เราต้องรู้รู้ว่าอันนี้เข้าอันนี้ออกยป็ไงอันนี้ทางดีที่ไล่ก่อนอื่นเราต้องรู้เป้าหมายชีวิตเราก่อนว่าเราต้องการอะไรเราจะไม่ให้หลุดจากเส้นทางนี้เราจะทำะ ไ, ไงไงมันต้องเป็นศรริลปะเราติดกับดักของความดีเป็นกับดักอันใหญ่หลวงของมนุษยชาติที่พนทุกข์ไม่ได้ อย่าให้ความดีชุดล้างเราไว้วันหนึ่งพอเราอยู่เหนือมันเราจะเข้าใจดีไม่ดีเป็นยังไงและเราจะใช้มันได้แต่เราใช้มันเฉยๆไม่เกี่ยวกขบมาผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเข้าใจยากเพราะว่าเราข้ามความดีไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ สมาธิที่ท่านสอนเป็นสมาธิโลกุตระคือการเข้ามาเห็นสภาพเดิมแท้มิเข้ามารู้จักสภาพเดิมแท้ที่แต่ละคนมีอยู่เป็นของตัวเองแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะพาเอาไปเห็นได้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงในตามการเวลาเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นกับเหตุปัจจัยท่านบอกให้รู้จักสิ่งสิ่งนั้นนั่นคือสมาธิที่ท่านสอนกับมารู้จักสภาพเดิมแท้สภาพปกติของเรานี่แหละ ดูกรบมันเนี่ยกิจการงานทั้งหมดคิดพูดทําอยู่บนความว่างอยู่บนความเป็นปกติอยู่บนความไม่มีตัวตนมันก็เป็นสัมมาตลอดสายผมเลยบอกว่าชีวิตของเราที่เหลือมันคือการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเราไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเราแค่รู้จักใช้ชีวิตให้มันถูกต้องก็คืออยู่บนสัมมาทิฏฐินี่แหละและชีวิตที่เหลือของเราก็คือการดําเนินอยู่บนมรรคดูแล้วอัตโนมัติเลย แต่เราทําเป็นข้อข้อขเราต้องไปเฮ้ยอันนี้เราไม่ได้สัมมาอาชีวะไม่ได้อันไม่ได้ไม่ได้มีแต่ไม่ได้มีปัญหาตลอดพอมีแต่ไม่ได้กันเลยทำไมไม่ได้ก็มันคิดคิดตามหนังสืออยู่มันก็เลยไม่ได้ที่ความคิดมันพาเราไปสู่ธรรมะไม่ได้คนปฏิบัติเหล่านี้เลยไปไหนไม่ได้วันวันมีแต่ความทุกข์เพราะตัวเองมีแต่อกุศลมันต้องมีแต่อกุศลเพราะอะไรเพราะมันมีแต่ตัวตนมันยังไม่ว่างสักทีหนึ่ง จิตไม่มีที่ตั้งหลวงปู่ดูลสอนแบบนั้นความรู้สึกตัวอะไรคือกรรมฐานแค่มันไม่ไปคิดนี่ก็กลับมาที่กรรมฐานแล้วและกรรมฐานนี่แหละความรู้เนื้อรู้ตัวอะไรคือกรรมฐานถ้านอกนั้นไม่ใช่นอกนั้นก็ออกไปจินลตโรความคิดถ้าเราอยู่ที่จุดเดียวเป็นเพ่งคือผมเลยบอกว่าสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันเป็นสมาธิที่มันจะมีต่อเนื่องต่อเนื่องแบบไม่ตกเลย เราจะไปต้องไปวันนี้ต้องทําสมาธิฟุ้งซ่านเยอะไม่ใช่เพราะมันเป็นสมาธิแห่งปัจจุบันขณะความรู้สึกตัวเนี่ยปัจจุบันอยู่แล้วเพราะเราไม่กินโลกของความคิดมันไม่มีเวลาเคยท่านรู้สึกตัวงั้ไม่มีเวลาเพราะมันไม่มีความคิดว่าตอนนี้เวลาอะไรมันเผียวมันว่างบริสุทธิ์ท่านเขี ม, มานันทาก็พูดเรื่องอนันตลิกะสมาธินี่เป็นภาษาบาลีคือว่า เป็นสมาธิที่ไม่มีระหว่างไม่มีระหว่างคือมันไม่ตกเลยเพราะในขณะที่เราอยู่กับปัจจุบันอยู่อย่างนี้มันมีสมาธิตลอดอยู่แล้วเป็นสายเลยมันตกไม่ได้มันไม่ต้องพึ่งพิงอะไรมันลอยตัวมันอยู่อย่างนั้นเพราะว่าจิตนี้รวมเข้ากับความว่างมันรวมเข้ากับปัจจุบันไปแล้วมันก็เลยเทงเต้งของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ต้องทาอะไรมนเลยยิ่งไปทายิ่งคิด ยิงไปรู้สึกว่าสมาธิไม่พออันนี้จะไปทำแล้วอันนี้ผิดเลยสุดท้ายเราจะไม่ได้สมาธิเราได้ความทุกข์แทนเราอยากจะได้อะไรที่มันไม่พอดีแล้วทุกอย่างเลยบอกมันเป็นความเป็นเองผลทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันเป็นความเป็นเองทั้งนั้นเลยสติสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานนี่เป็นความเป็นเองหมดเลยเราแค่เริ่มให้มันถูกทานบา ร, รมีนี่บางคนนึกว่าให้เงินไม่ใช่ให้เงินสลละโลภกดหลงออกไป สละให้ได้นี่เป็นทานบารมีเราสละได้ไหมเราให้เงินง่ายตายเรามีเงินเราก็ให้เงินได้แต่สละที่เลในใจเราสละได้ไหมสละได้นั่นแหละเป็นทานบารมีหลวงพ่อเทียนสอนแบบนั้นเนคขมมะบารมีผมบอกว่าเนคขมมะบารมีคืออะไรไม่ใช่ไป็นลำบากไม่หลงเข้าไปในความคิดได้ไหมมันปรุงแต่งไม่เข้าไปปรุงกับมันได้ไหมโอเคเราไปแล้วคิดเราเลิกไม่ได้ใช่ไหมเราจะปรุงกับมันใช่ไหมกโกรธอัอนี้ก็จะคิดถึงมันใช่ไหม ชอบไปนี้ก็จะคิดถึงมันใช่ไหมเราเลิกไม่ได้แล้ว เ, เลิกปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่ยขำมะออกมาจากความคิดได้ไหมเราไปแปลกงเป็นเรื่องอื่นไปหมดมันก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยการปฏิบัติธรรมมันสเปสสะสป่จังเลยเหมือนกับเอ้ยนี่เสี่ยงไม่ได้เอ้นั้นเร า, าก็ยังทำไม่ได้เอ้นั้นเรายังทำไม่ได้เนี่ยเป็นแบบนั้นก็มันยากว่าเราทําไม่ถูกแต่ถ้าเรารู้สิ่งที่ถูกมันไม่ยากอนะที่เหลือคือรอเวลาเราต้องอาศัยเวลา เมื่อที่ผมพูดเรื่องขอทานที่บอกผู้ทีเจ้าไปเจอผู้หญิงผู้ชายผู้นหนึ่งแล้วสุดท้ายบอกว่าตอนนี้ยัเป็นพาาราละหันได้ผ่านไปไดอนาคาผ่านไปได้จนสุดท้ายบอกเป็นขอทานแล้วอันนี้มาบวชก็ไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยทําไมเวลาสําคัญยังไม่ตายเลยยังไม่ตายแต่หมดโอกาสโซดาบันยังไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าเวลาไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องสําคัญรู้ทางที่ถูก แล้วก็ใช้เวลาเต็มที่กับมันแล้วเราจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดทำในรูปแบบทำไมมันถึงดีเพราะว่าชีวิตของพวกเราอยู่ในความเร่งรีบอยู่ในความคิดแล้วเลาอยู่ในความคิดมานานนะ่ะถ้าเราไม่ทำในรูปแบบเลยเนี่ยจิตใจเราไม่พร้อมที่จะปกติแต่ถ้าเดินมันอยู่ในรูปแบบปุ๊บเราเปนจะมีไมเซใหม่ มันจะเซตเองเช่นว่าตอนที่เราอยู่ในเวลาของการที่เราจะรู้จักความเป็นปกติอยู่ในเวลาของการที่เราจะรู้สึกตัวมันคล้ายๆทําให้ไมเซตของเราเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในกรอบของอันนี้มันจะรู้ว่าความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งไม่ถูกต้องในเวลานี้มันก็จะเข้ามาอยู่ในกรอบนี้มากขึ้น แล้วพอมันเขอยูกรอบม่มากขึ้นมันจะง่ายต่อการที่เราจะเข้ามาถึงใจที่มันเป็นปกติเพราะใจมันจะปกติลงง่ายแล้วพอเราเดินปุ๊บมันต้องหยุดที่ผมบอกหยุดต้องให้รู้รู้สึกหายใจเข้ารู้สึกตัวหันมาดูใจเราเป็นยังไงปกติไหมปกติก็รู้จักเป็นปกติแล้วอ่าแล้วก็หมุนกลับหยุดสัมผัสความรู้สึกที่มันลาบเรียบนี้ต่ออ่าแล้วก็ไปเดินเดีย๋ยวฟุ้งซ่านอะไรปุ๊บต้องหยุดอีกแล้ว พยุดปุ๊บความรู้สึกาต้องดักปุ๊บกลับมาที่ความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราไม่ทํารูปแบบจะเป็นไงเดินเลื่อยเปื่อยใช่ไหมเดินจากนี่คิดไปถึงโู่นเลยจนจบใช่ไหมมันจะปกติไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปแบบเลยจําเป็นที่จะทําให้จิตใจนี่คุ้นเคยกับสภาพเดินแท้สภาพปกตินี้ได้บ่อยในหนึ่งวันที่เรามีของเราเนี่ยพอมันรู้จักได้บ่อยความถี่หรืมอมมันเหมือนเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดมันยิ่งถี่มันจะเป็นเส้น เส้นนี่แหละคือสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเป็นกําลังขึ้นมาเหมือนเราปั่นไฟช่วที่ปั่นไฟเหนื่อยมัอนเราต้องเดินจงกรมเราก็คือว่าแม่มเป็นผาละจำเลยต้องมีวินัยต้องเตือนเหมือนเราปั่นปั่นปั่นั่นปัจุดฝึกที่มันไฟติดนี้ะมันเป็นโมเมนตัมที่มีพลังแรงมากที่ว่ามันจะทําให้ไฟมันติดขึ้นมาได้เหมือนกันไอความปกติที่เรารู้จักลอยๆลอยๆอยๆสุดท้ายมันจะเป็นโมเมนตัมใหญ่ที่จะพาเราไปได้ แต่ถ้าเราละเลยเอวันนี้ก็พอไดนะ้รู้สึกตัวเหมือนกันบ้างที่ผมบอกก็ได้ปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้อะไรมีความสุขในโลกเล็กหน่อยมากกว่าคนอื่นหน่อยที่รู้จักความเป็นปกติบ้างรู้จักว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรจิตใจแล้วคนดีคนอื่นบ้างแต่มันแค่ดีกว่าคนอื่นมันไม่ใช่พ้นทุกเราพ้นทุกได้ทุกครั้งที่เรารู้จักความเป็นปกตินี้แต่เราต้องการพ้นทุกอย่างสมบูรณ์เราไม่ได้ต้องการแค่พ้นทุก นิดหน่อยอล้พอแล้วเราไม่มักน้อยแบบนั้นเราโลภคนนะ่ะผมว่าคนส่วนใหญ่คิดแค่เพราะว่าผมคิดว่าคงไปไม่ถึงอนะ่ะใช่ไหมคิดว่าไปไม่ถึงถ้าใรครบอกว่ไปถึงได้นี่คนเนผมว่าก็อยากทํานะทุกคนไปได้ถึงได้ในชีวิตนี้มันไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ที่เราทําให้มันถูกใช้เวลากับมันผมเคยพูดว่าถ้าเราได้ใช้เวลาในทางที่ถูกต้องใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้ว ต่อให้เราไม่ได้อะไรเลยแต่ยังน้อยเราพ้นทุกมาตั้งหลายสิบปีที่เราใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แล้วถ้ามันจะไม่ได้เลยเราให้เราคิดกลับไปเราก็จะไม่เสียใจเพราะเราทำดีที่สุดแล้วแค่นั้นแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเราจะต้องเสียใจกับวันสุดท้ายของชีวิตเราว่าเรายังทำได้ไม่ดีพอเรายังใช้เวลาอิเล็กเกตขดไปกับอย่างอื่นกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขในชีวิตในโลกเหมือนพี่ย้อนกลับไปคิดสมัยก่อน เราเป็นผู้ชายมีความสุขหลายอย่างใช่ไหมมีเงินทําได้ทุกอย่างสุขจริงหรือเปล่าไม่ใช่สุขเลยบอกงันๆ น, นะพวกเราทุกคนคิดกลับไปได้ไม่ต้องมีเงินก็ได้เราคิดถึงความสุขในอดีตมันใช่ที่ไหนมันไม่ใช่เราก็ทุกเหมือนเดิมสรุปถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตตัวเองในทางที่ถูกต้องแล้วเราก็มัวแต่ฟังเสียงทักทานของคนอื่นเนี่ยวันที่เราทุกเนี่ยคนเหล่านั้นช่วยอะไรเราไม่ได้เลย เหมือนวันที่เราเจ็บป่วยแล้วไม่ต้องคิดวันที่เราทุกหรอกวันที่เราเจ็บป่วยแม่พี่น้องแฟนช่วยเราหายอาการเจ็บป่วยได้ไหมมันช่วยไม่ได้เหมือนกันเราก็เจ็บป่วย เ, าเราอยู่ข้างในร่างกายนี่แหละจิตใจก็เหมือนกันวันหนึ่งที่มันเจ็บป่วยมีแต่เราเองที่ช่วยตัวเองได้ไม่มีใครช่วยเราได้นักปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจแบบเราจะมุ่งมั่นเราเข้าใจแบบนี้เราจะมุ่งมั่นที่เราจะไม่เลิกพาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้ และใช้ชีวิตในทางที่ถูกบนสัมมาทิฏฐิชีวิตก็ปกติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพร้อมไม่มีอะไรเป็นขั้ น, นตอนๆทาแค่นี้แหละง่ายๆแต่ต้องใช้เวลาอึดหน่อยต้องอึดระหว่างทางนี่มันมีขวาหน้ำคือความทุกข์ทางใจนี่แหละความเบือ่อความเซ็งงงบน โอยไม่ไปไหนสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะเป็นพระโสดาบานวะรบกวนเราแล้วต้องอยู่กับมันอยู่กับมันไม่ได้เข้าใจมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นแบบนี้ที่ผมบอกบนกับตัวเองว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ทําอะไรไม่ได้ผมเคยนั่งทุกตื่นมาก็ทุกเลยไม่รู้ทุกอะไรทุกคือภายในเอนนี้เศร้าหมองไม่ล่าเริง ไม่สบายใจผมอยู่กับสภาพแบบนั้นถึงเที่ยงผมก็รู้ว่าทําอะไรไม่ได้ผมรู้สึกว่านี่เป็นกรรมเฉยๆกรรมทางใจเฉยๆที่มันมาผมก็อยู่ขมันถ้าเป็นคนเราเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมนี่จะคิดอะไรไปเดินจบโง่ดีเปล่าไนั่งสมาธิให้ระงรับความฟุง้งซ่านตรงใส่ฟุง้งซ่านหรือว่าฟังธรรมดีว่าให้มันสงบระงรับลงแต่ผมไม่ทําอะไรเลย เพราะเมื่อไหรที่เราตัดสินใจจะไปทําอะไรแบบนั้นความอยากอันนี้เกิดขึ้นความคาดหวังนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะทุกข์เลยทันทีเมื่อไหร่จะคลายเมื่อไหร่จะคลายออกเมื่อไหร่จะคลายออกทําไมไม่สงบสักทีฟังธรรมเคยฟังครูบาอาจารย์องค์นี้พูดเน้วหายไ ม, ม่หายหรือว่าเทศไม่ดีวะเปลี่ยนคลิปใหม่เนี่ยเพราะมันอยากจัดการแต่เราอดทนคอยเราอดทนอยู่กับสภาพมันเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้อยู่กับมัน อยู่กับมันโดยไม่เข้าไปยุ่งกับมันพอดีจิตนี่ก็เปลี่ยนปุ๊บเคลียเลยความเข้าใจของอนิจจังนี่จะเกิดขึ้นทันทีเข้าใจเองไม่มีพูดว่านี้อนิจังไม่มีโ อ, โอเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนเองเราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วมันก็เคลียเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดตัณหาในการอยากจะเข้าไปจัดการอารมณ์ทางใจทั้งไหลยังมี อยู่กับมันอยู่กับมันเหมือนอินกับจันอยู่ด้วยกันอยู่กับมันเฉยๆแค่นั้นแล้วมันจะค่อยๆสบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นอะไรมาแล้วก็รู้อดทนเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอะไรขันติบารมีใช่ไหมเป็นอีกหนึ่งบารมีใช่ไหมอยู่ในสิบอยา่างนี่ขันติแบบนี้คือไม่เข้าไปจัดการมันไม่เข้าไปยุ่งกับมันต้องอยู่กับมันได้ เป็นประสบการณ์ทางใจที่จะต้องผ่านไปเป็นแค่คนดูเฉยๆไม่เขาเ้าไปเกี่ยวข้องกับมันมันก็ไม่ต้องทุกข์ความสงสัยนี่เป็นทุกข์้วที่ผมบอกความสงสัยเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นทุกข์ตัวใหญ่ของมนุษย์เลยความสงสัยเนี่ยเราต้องหาคําตอบผมเคยเจอคนสงสัยปุ๊บวิ่งไปหาอาจารย์ไม่ทําคำตอบวิ่งมาหาอาจารย์นึงวิ่ง เขาไม่เห็นความดิ้นรนกับการวิ่งหาคําตอบของเขาเพียงเขาอยู่เฉยๆจิตใจนิพนไม่จากความดิ้นรนนั้นนะพอแล้วก็ดูมันเฉยๆมันจะแสดงความจริงทุกอย่างออกมาให้เราเห็นเราจะได้เรียนรู้ความจริงจากความทุกเนี่ยตอนมันสุขๆอยู่แลาวไป เ, เรียนรู้อะไรกับเพลินเราต้ออาศัยความทุกข์แล้เรียนรู้มันแต่ถ้าเราทุกข์แล้วรีบหนีมันเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย เราก็เป็นแค่คนหนีทุกคนหนึ่งแค่นั้นแต่วิธีหนีของเราก็คือไปนั่งสมาธิไปทำความสงบ human being ผมบอก human being human มีหน้าที่ being ดำรงอยู่ในธรรมชาตินี้เฉยๆความดิ้นรนที่เป็นทุกข์อันใหญ่เป็นนรกโล ก, กันเลยวันถ้าเราพ้นความดินน้นรนเราจะเข้าใจว่ามันเป็นนรก